ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อนเมื่อฝ่ายร้ายกับฝ่ายดีแทรกซ้อนชิงกันอาจมีผู้แย้งขึ้นมาในตอนนี้ว่าความอยากมีสุขภาพดีน่าจะเป็นตันหาเพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถเสพสุขเวทนาได้อย่างเต็มที่ คำแย้งนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุมไม่ถูกหลักวิพัชชาวาฒหรือหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้แยกแยะองค์ประกอบเหตุผลปัจจัยต่างๆออกไปวินิจฉัยเป็นอย่างอย่างให้ชัดจึงจะได้ความจริงแน่แท้ไม่ใช่เอาขั้นตอนปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆเข้ามาปะปนสับสนกันและวินิจฉัยตีคลุมลงไปในกรณีนี้ความมีสุขภาพ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 และนั่นก็คือต้องตัดเป็นอีกช่วงตอนหนึ่งความจริงความคิดของคนทั่วไปที่สำเร็จออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมักจะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆผสมซ้อนกันอยู่ซึ่งจะต้องแยกแยะออกไปเสมอบางทีก็ซับซ้อนต้องซอยละเอียดยิ่งไปกว่าที่กล่าวมาเสีอีกบางคนอาจคิดว่าเรากินแต่พอดีจะได้เป็นคนแข็งแรงสวยงาม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 ฉันจะมีสุขภาพดีฉันจะแข็งแรงกว่าเขาฉันจะสวยงามกว่าคนนั้นคนนี้เป็นต้นจะเห็นว่าในความคิดเช่นนี้มีทั้งฉันทะและตัณหาเกิดต่อซ้อนกันอยู่โดยฉันทะเกิดแล้วตัณหาเกิดตามจัดเข้าในหลักว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลได้และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงขั้นเกิดมีตัวตนเจ้าของตัณหาขึ้นแล้ว ก็เป็นอันได้เริ่มต้นเพราะเชื้อสําหรับการก่อตัวของทุก์และปมปัญหาต่างๆไว้สืบต่อไปอย่างไรก็ตามข้อที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับการทำความดีของปุถุชนทั้งหลายที่จะยังมีตันหาคอยเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ด้วยเสมอและจึงยังเป็นความดีที่สั่งสมทุกหรือก่อทุกได้ข้อที่จะพึงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ก็คือ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 ทำได้เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นปุถุชนขั้นดีมากแล้วและเรื่องนี้ยังจะได้พูดกันต่อไปอีก